ทันพระเตรสานพนิกจช น, นหลายในบรรดาเพื่อนบิณฑุสม น, นีสำหรับหน้านี้หรือว่าตอนนี้เป็นตอนจบเรื่องบ้า น, น้ำมันบ้าพระธมัมนแต่แล้วผมก็ยังไม่เลิกบ้าถ้าพ้นเขตการบ้า น, น้ำมันแล้วผมก็จะบ้าต่อไปอีก กรวมความว่ามาถึงพอศสองพันห้ารอยิบสี่ก็เป็นอนุนว่าเรื่องความบ้าของผมได้สลายตัวไปชั่วคราวแต่นี้เพราะรอะไรเพราะว่าบังเอิญจริงๆทางเจ้าหน้าที่หรือว่าบริษัทที่เจาะหาแก๊สตะมันไปพบแก๊สพบตะ ม, มันเข้าตามที่พูดไว้ แต่ก็จงอย่ันตึกว่าผมเป็นผู้วิเศษบรรดาลให้ขอณหลายเหล่านี้ปรากฏขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติตรงถีอว่าเทวดาท่านดีแล้วก็ต้องยอมรับนับถือความดีของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านให้วิชาความรู้แล้วก็ช่วยผมพูดตรงตามความเป็นจริงเป็นนั้นว่าการกระทบกับอารมณ์ ที่นําเรื่องนี้มาพูดก็ขอบรรดาเพื่อนบิณฑษท่านในน้ำบรรดาญาโยมพุ้ทวาริษัทโปรดทราบว่าการนินทาระสรรเสริญยงยาถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญให้ถือจริยาที่เร า, าประพฤติปฏิบัติเป็นสําคัญว่าการนินทาระสรรเสริญนี้ถ้าเราจะหลบมันก็หลบไม่พ้น ถ้าเราอยาโกรธคนอินทาโกรธคนที่สนเซินมันก็โกรธลบไม่พ้นอีก <c oughs> เราก็ต้องโกรธกันไม่หยุดในเมื่อเราต้องโกรธไม่หยุดความสุขจริงๆเขาจิตใจมันก็ไม่มีมันก็จะมีแต่ความวุ่นวายของใจไม่หยุดเหมือนกันฉะนั้นขบรรดาญาโยมพระธบริษัททุกท่านนบรนดาเพื่อนิสสัสมันเลนค่อยค่อย จำกัดความโกรธไว้อยู่ในขอบเขตอันดับแรกอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเลิกความโกรธได้ทันทีทันใดค่อยๆระงับความโกรธจำกัดความโกรธไว้ในขอบเขตอันดับแรกจำกัดความโกรธไว้ในขอบเขตของสังโยชน์สาม สัญญสามคือหนึ่งสกายติติสองวิจิกิจชาสามสิรปตะปรามาตสัญญอดสามรการนี้แครละได้เป็นประสดาบันกับสกิทาคามีในคำว่าสัญญอดไปกิเลสเครื่องร้อยรัฐทำใจให้วุ่นวายจากกิเลสก็นั่นหมายความเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสวิธีจำกัดความโกรธไปยังไง ในสมัยที่เราเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปต้องกินเล็เราไม่มีการจํากัดความโกรธได้เลยนั่นหมายความแทนที่เราจะกําจํากัดเรื่อจั๊วะจำกัดให้มันน้อยลงอยู่ในขอบเขตควาแคบๆเรากับชอบทวีคูณความโกรธให้มากขึ้นเมื่อโกรธแล้วก็อยากจะขังความโกรธไว้นา น, น, าน เราหาทางจองล้างจองผานพี่ฆ่าเก่งฆ่าคนอื่นที่เราโกรธเนื้อแท้จริงๆผลมันไม่มีสนหรับเราถ้าเราคิดมันก็มีแต่ความกลุ้มถ้าเราไปทำไรเขาไรเขาจริงฆ่าเขาจริงเราก็จะเพิ่มความวุ่นวายของจิตมากขึ้นเระเป็นการกอร่อสัตรู เราก็ไม่มีความสุขคณะของเก่าเองเขาไม่มีความสุขแทนที่คนที่เราโกรธจะตายแต่พู้เดียวเรื่อเป็นศัตรูกับเราแต่พู้เดียวเราก็จะเพิ่มศัตรูมากขึ้นการเพิ่มศัตรูมากขึ้นกไหมาว่าพวกของเขามวยญาตพี่น้องของเขาคนที่รักเขาเขาก็ต้องโกรธเราต้องด้กลาดตนเป็นศัตรูกับเราอันนี้ไม่มีอะไรดีเลย วิธกีกำจำกัดความโกรธในขอบเขตเล็กๆก็คือใช้อารมณ์ของปะโสดาบันก่อนความจริงอารมณ์ของปัโสดาบันนี่แต่ใครทรงไว้ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งหมดขอทุกท่านในโปรดจงอย่าคิดว่าเราเป็นปัโสดาบันเรื่องมีความรู้สึกว่าเป็นผู้สรงชายก็ดี เป็นพระเจ้าขันโสดาสิทาคานาคาเระหลังก็ดีจงอย่ามีความรู้สึกตามนั้นถ้ามีความรู้สึกตามนั้นมันจะกลายเป็นมานะทิฏฐิเพราะเรายังไม่หมดกิเลสไปไปม า, มาเราก็จะถือตัวว่าคนนี้ไม่มีการสงชาญไม่มีฌานสมาบัติคนนี้มีฌานสมาบัติแต่ย่อยย่อนกว่าเรา ด้ว่ความเร็วทีจะเกิดขึ้นกับใจเป็นมานะถ้าเราไปปฏิบัติเทว่า ป, ปฏิพฤตตามตามกฎในการละสัญญโญถ้าคุมอารมณ์ละสัญญโญได้เราก็จะคิดต่อไปว่าผู้ทรงฌานโลกีสู้เราไม่ได้เราเป็นพระอริยเจ้าอันนี้ก็เพิ่มความเร็วมากขึ้นก็งความว่าจงอย่าคิดเลย ว่าเราได้ขั้นไหนเราทําอะไรได้เป็นพระอริยะหรือเปล่าเป็นผู้ทรงฌานหรือเปล่าไม่ต้องคิดคิดอย่างเดียวคือว่ารักษาอารมใจให้เป็นสุขแล้วคิดว่าอย่างเดียวว่าอย่างน้อยที่สุดชาตินี้เราเกิดเป็นคนเราจะไม่ยอมลงอบายภูมิต่อไปสิ่งที่จะทําให้เราไม่ลงอาบายภูมิก็คืออารมณ์ของปรโสดาบัน อรคมค์ขมวสโณดาบันถ้าเราส่งไว้ได้ขึ้นที่ว่าการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตแปลงสุรกายเป็นสัตว์ฉ า, านไม่มีสำหรับตอเราไปเขาเป่าตอไปอีกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะาอบายภูมิลังเกียดที่ว่าอบายภูมิลังเกียดก็เพราะว่าเรามีความดีมากเกินกว่าที่จะลงอบายภูมิ รวมความและบาปกรรมเก่าๆที่เราทำไว้ก็ไ่้ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีไม่สามารถจะนำเราลงอบายภ์ต่อไปอีก <c oughs> วิธีปฏิบัติท่านยังไงวิธีปฏิบัติจริงๆก็คือว่าให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงในด้านสกาาติทิฏฐิสกายาติทิฏฐินี่ตานักศีเรียน อันแปลว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราคำว่าร่างกายเนี่ยผมใช้แทนคำว่าขันห้าขันห้าจริงๆก็คือร่างกายและขันห้าทั้งหมดที่มีห้าอย่างสิ่งที่มีความจำเป็นจริงๆก็คือรูปเพราะขันห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณ สิ่งใดที่เห็นได้ในตาเปล่าสิ่งนั้นเรียวกว่าโลกเวทนาได้กับความสเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขบ้างไม่ทุกบ้างสัญญาได้กับความจําสังขารได้กับอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจคืออารมณ์ที่เป็นกุศลใจก็สะอาดใจดีอารมณ์ที่เป็นอนกุศลเข้าครอบครองใจใจก็สกปรกใจเลวและวิญญาณได้กับความรู้สึกธรรมรสัต วิญญาณนี้ไม่ใช่จิตนะครับวิญญาณกับจิตคนละดวงกันคนละอย่าง <c oughs> วิญญาณมีความรู้สึกอย่างเดียวไม่มีความคิดคืออารมณ์คิดไม่มีจิตแต่แค่อารมณ์คิดไม่ใช่วิญญาณ น, นี่เข้าใจตามนี้สําหรับที่นางสีท่านเขียนไว้ว่าการตัดสกายยติฐิต้องตัดเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอันนี้เป็นอารมณ์อานหารครับความจริงได้เขียนว่าสุดยอดถกแต่ว่าคนที่ไม่เคยรู้เรื่องมาเลยก็จะเข้าใจผิดคิดว่าคนอย่างเราไม่สามารถจะเป็นปสดาบันไดต้องยิ่งที่ท่านเขียนไวาทำไมตัดสูงสุดไปหันั่นจะพูดถึงการตัดกิเลตกันตัดกิเลสเพื่อความเป็นอาหา อันนี้เรามาตัดกันแค่จะเป็นประโสดาบันนิสกิธาคามีเป็นการจํากัดจำจำกาจัดความโกรธไว้ในขอบเขตก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายร่างกายนี่อยู่ไปตลอดมันไม่หลอดแน่นอนต้องตายแน่ก่อนจะตายเราไม่ยอมไปเอาใบผุ้มว่าเราเป็นคนแล้วนี่เป็นคนแล้วกลับไปเป็นสัตว์นรกอีกเพราะว่าถอยหลังลงครอง ไม่ใช่สวนหลังเก่าครองถอยหลังลงก้นคลองไปเลยจมดิง่งกุยจ่ายเต้าเข้มามาได้ถึงความเป็นมนุษย์อีกแสนกับไม่ไม่มีโอกาสเราขาดทุนมากแนละ้วคุ ม, มาอารมณ์ไว้ิว่าจะไม่ยอมไปนรกก็ยึดคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งไม่คหยว่าคอยดึงเราไว้ไม่ยอมให้หย่อนตัวลงนรก หลังจากนั้นรังสาสินให้บริสุทธิ์คือไม่คิดจะฆ่าสัตว์ไม่คิดจะทํำลายสัตว์และบุคคลไม่รักทรัพย์สมบัติของใครและก็ไม่คิดจะรักทรัพย์สมบัติของบุคคได้บุคคลทางใดด้วยรักก็ไม่ลักโกงก็ไม่โกงไม่ยื้ไม่แย่งทุกอย่างพอใจเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรำ แล้วก็ไม่เยอะแยงคนรักของบุคคลอื่นความจริงคนรักคนเดียวก็เหลือแหลแล้วเรื่องคบกรนคงก็ไม่หวมดไม่ไหวการคงกันไม่สําคัญสาคัญเวลาหากินเวลานี่ทรัพย์สินก็หาได้ด้ยวยฝืกเครืองมันยากแค่คนรักคนเดียวต่างคนต่างรักกันก็พอใจรักมากดีมากไม้ว่ารักมากแต่บุคคลน้อยบุคคลคนเดียวเรารักให้มากเขาก็มีความสุข นี่พูดกันนักคนนักษาสนแล้วต่อไปก็เราก็พยายามพูดตามความเป็นจริงเรื่องพูดนม่จะพูดเฉพาะตามความเป็นจริงไม่พูดหมดอย่างเดียวก็ยังเป็นการสเทือนใจกันคือยังมีการ ก, ากล่าวคำหยาบเป็นการยุยงส่งเสริมให้แตกเ้ากันพูดวาจาไราประโยชน์ฉะนั้นก็เว้นเสียหมดเว้นคําพูดที่ไม่จริง เป็นคำพูดที่เป็นเครื่อเสียดแทงคือการกล่าวคาหยาบให้เขาสะเตือนใจเว้นจากการส่อเสียดยุยงส่งเสริมว่าแตกเล่ากันเล่นท่ากันแล้วก็เว้นจากการพูดด้วยวาจาที่เลวไหลและประโยชน์พวกความวาจาทั้งสี่ราการถ้าเราใช้ไปเครื่องระเทือนใจมากดีไม่ดีก็ขัดใจกันโกรธกันแล้วก็งดมันเลยใช้แต่วาจารจริง วา่าจาไพเราะที่น่าฟังวา่าจาสร้างสรรค์ความสามัคคีว่าจาที่มีประโยชน์แค่นี้พอและต่อไปรเราก็เว้นใจการดื่มสุราเมรัยเพราะสุราเมรยยมัยเนี่ยมันมีแต่โทษประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันมีสําหรับคนเลวแต่บัณฑิตถือว่าเป็นโทษบัษณฑิตไหมที่คนรู้คนฉลาด แล้วก็มีกําลังใจว่าอย่าเพาะคิดว่าถ้าร่างกายนี้พังเมรัยขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเป็นมนุษย์เต็มในความทุกข์ในความวุ่นวายตามที่กล่าวมาแล้วเป็นเทวดาหรือพรหมมีความสุขจริงแต่มีความสุขไม่นาน ถ้าหมดบุญวัสนารามีก็ต้องโดดป่องลงมาใหม่โดดมาค้างที่เ ม, มีนมนุษย์ก็ยยมบุญตัวส่วนใหญ่ลงอาวีจีไปเลยฉะนั้นเราไม่ต้องการเราต้องการจุดเดียวคือนิพานนี่ผมก็เลยไปชวนท่านบ้าหรือนนิพานกันไปอีกเขาว่าบ้าเรือน้ํามันบ้าหรือ ว, วัตถุธาตุแล้วก็ไม่พอมาบ้าเรือน้ํามันเพราะคอจริงดน้ํามันก็พ้นบ้าไปแล้ว พอถือ 2,524 เขาเจ็ดเจาะน้ามันพบราโค้งพ้นบาที่เรามาจํากัดความโกรธ ถ, ถามว่าพระโสดาบันยังมีความโกรธไหมก็ต้องตอบว่าพระโสดาบันยังมีความโกรธแต่ว่าจํากัดความโกรธว่าในวงแคบที่พระโสดาบันโกรธจริงแต่ความรุนแรงน้อยเพราะเกรงอบัยภูมิ อาจจะมีความโกรธพระโสดาบันขั้นต้นความโกรธยังรุนแรงบ้างแต่ว่าจิตคิดจะฆ่าคนคิดจะฆ่าสัตว์ไม่มีจํากัดไว้แค่โกรธไม่คิดถึงฆ่าแล้วทำไปนอนต่อไปนี่เป็นพระโสดาบันท่านขั้นสตาขัดตงแยงหยาบพระโสดาบันขั้นกลังโกลังโกละ อันนี้ความโกรธเพระโสดาบันค่พระโสดาบันขั้นนี้ก็มีตรงความขั้นไหนก็โกรธ น, นั้นแต่ความโกรธขั้นรุนแรงที่คิดจะประหัรประหารไม่ถึงตายไม่มีไม่ถึงความเามไม่ชอบใจมีมากยังมีอยู่แต่ว่าระ ง, งับสั้นเขาคือหายเร็วเข้าให้ภัยเร็วต่อไประโสดาบันละเอียดที่เรียกว่าเอกวิชี เอกวิธีนี่ความโกรธความสะเทือนใจน้อยเต็มทีจิตให้อภัยมากขึ้นโรงความเราจำกัดความโกรธไว้ในวงแคบๆตามระยะอยู่ๆแลวจะบอกฉันเลิกโกรธไอ้นี่มันไม่ได้ต้องคิดว่าสามีปัญญากันกว่าจะแต่งงานกันได้ก็ต้องใช้เวลา บางทีบางคนก็ใช้เวลามากๆแต่เวลาเลิกกันมันยากต้องใช้เวลามากหน่อยเพราะความรักมันผูกพันแน่นหนาเสแล้วเหมือนกับความโกรธกับเราก็ไม่กันความโกรธกับเราไม่คบหาสมาคมกันับๆนอสงไข่กับไม่ทนที่ว่าไม่ทนก็ไม่รู้เกี่ยสงไข่กับยอยู่ก็ยิ่งผลักให้มันโดดไปเฉยๆไม่ได้มันต้องค่อยๆผ่อนทีละน้อย ถ้าเราจำกัดขอบเขตงความโกรธได้อย่างนี้ก็ลงความอับายภองผมไม่มีความสุขก็มีขึ้นต่อไปเราก็จำกัดความโกรธให้ละเอียดลงไปอีกนิดหนึ่งขั้นสกิตาคามีขัานสิกิตาคามีมีความรู้สึกในการตัดสิโยอดเหมือนกันแต่การให้อภัยมีเหตุมีผลมากขึ้นจิตใจมัมีความฉลาด มี่เป็นยามากขึ้นมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ต้องการโกรธกับใครมีอย่างเดียวต้องการความรักความเห็นใจความเป็นเพื่อนกันแต่ว่าที่ต้องโกรธก็เพราะว่ากิเลสบางอย่างเข้ามาแทรกแซงใจทำลายความดี ฉะนั้นคนที้ทําไม่ดีให้สะเทือนใจผู้ อ, อื่นบุคคลนั้นไม่มีเจตนาแท้แต่ว่าผีกิเลสของเขาสิงใจมันเข้าบังคับใจเขาบุคคลนั้นเขาจึงทําให้ทหําทให้เราไม่ชอบใจเราให้อภัยไปเลยเแล้วคนนี้ทําผิดความชั่วพูดผิดผู้ชั่วก็ ร, รู้เท่าไมถึงการอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลส บ, บังคับจัดแปลพยทาธิและก็มีพรมิหารสีหนักขึ้น มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุตตาจิตอ่อนโยนไม่ฉานเสียไครผู้ไม่มขาความวางเฉยก็ทุกกระตั้งกับความไม่ค่ยชอบใจวาจาที่สะดุดอันดับแรกเอาเฉยเข้าไปสกัดไปก่อนใสกัดไป น, นานๆเมื่อทินดีไม่ดีก็สลายตัวไปเลยฉะนั้นอารมณ์เขาว่อ น, นาคามีอันดับแรกความโกรธยังหนักอยู่นิดหนึ่ง ยังมีความเผือเทินใจอยู่บ้างแต่ก็หายเร็วให้อภัยเร็ว น, นาคณะาคาพระมเหสีครอบงาจัดมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ทรงตัวจริงโลกนี้เต็มไปด้วยความเต็มไปความยุ่งยากความเด็ดร้อนไม่มีความแน่นอนเราไม่ต้องการอัมบัยภูมิไม่ต้องการมนุษยโลกเทวโลกต้องการตานิพันธ์อย่างเดียว อารมณ์อย่างนี้นาในเึินความโกรธก็ค่อยสลายตัวน่าเขา้าบางทีเขาว่ามาแรงแต่มีความรู้สึกเบายังไม่สะเทือนบางทีเขาด่าวันนี้อีกสามวันยังนึกได้ว่าเขาดา่าวันก่อนคิดว่าเป็นการพูดเล่นกันอันนี้แปลลงคาว่าอนาคามีและพระนาขาโทษพระศิทาคามีและพระศีทาคามีาามนี้ถ้าละเอียดที่สุดใกล้อนาคามี จะไม่รู้สึกทั้งด้าความรักและความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ปกติไม่มีความรู้สึกเลยแต่ว่าความรู้สึกอย่างนี้จะมีคร้น บ, บางขณะคือเดือนหนึ่งนานๆครั้งเวลาที่จิตสงบสงดัดอารมณ์ความรักจะกระตุ้นขึ้นมานิดหนึ่งรมความไม่พอใจจะโผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วถูกตีกลับไปเลย อันนี้เป็นพระสิกขาขามีขั้นละเอียดขั้นที่จะถึงอนนาคามีมาถึงตอนนี้แสดงว่าเราจํากัดวงค์ขอบเขตของความโกรธได้และสามารถทําลายกําลังของความโกรธให้เกือบไม่มีกําลังเลยพอถึงแค่นี้ก็พอใจพอใจของผมก็หมายความเรายังโกรธใครถามมาเราก็ยังโกรธ ในเมื่อเราไม่เป็นพระอนาคามีเพื่อใดดรงโกรธแต่ก็ตอบเขาว่าฉันยังมีความโกรธฉันยังมีความโลภฉันยังมีความหลงฉันยังมีความรักแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ฉันไว้ เ, เก็บไว้ในขอบเขตในข้อแคบๆซึ่งมันดิ้นไม่ถนัดนักแต่จะไปกลนใจมันแต่โกลมันหนักนาเข้าทามาแหกข้อมัได้แต่มันยุ่งจัดบอกเขาอย่างนั้น กระโดงความกำลังใจของเรยจะทำเป็ขั้นไหนก็ช่างอย่าไปลหลงไหลฝ่ายฝันคิดว่าเวลานี้เราเป็นประโสดาสีทาคารกระโดดความโสดาสีทาคาสองอย่างกำจัดแค่กิเลสสามอย่างคือสกายยติความรู้สึกว่าร่างกายมันจะไม่ตายเนี่ยเลิกคิดคิดวันตายเสียวิจิตจสายการสงสัยในความดีของอพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงเลิกสงสัย จะเป็นยานิ้น่อยพอสีรับรตาปรามาตยรักษาฆนาวะรักษาสินหให้ครบถ้วนอิสุสัมเนยรกษาสินสิบสินสงองน้อยีเจ็ดให้ครบถ้วนกรองความการรักษาสินรักษาจนตั้งชินไม่ต้องระวังมีอารมชินในสิขาบท ต, ต่างว่ามันเป็นของไม่หนักเป็นของธรรมันดาที่เราทำได้แบบง่ายง่ายแค่นี้ความโกรธ มันก็จะค่อยๆสลายตัวไปมีกำลังเบาผมยังจะไม่พูดว่ามันหมดไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราถ้าบอกว่าหมดถ้ามันโกรกข้นมามันจะสวยจะเผลอยเกอรงความว่าค่อยๆระงับค่อยๆกดใจถือว่าเป็นของธรรมดาถ้าถูกดาก่าถูกว่าคิดปากเราเกิดมาเพื่อชาวบ้านเขาด่าจะบ้านเขาว่าชาวบ้านเขาดินทาก็หมดเรื่อง เป็นว่าถ้าเราสามารถแบบไหนทําแบบนั้นตนี้ผมที่บ้ามาแล้วก็บังเอิญจริงๆพระบาทสมเด็จเจ้าหัวท่านทรงตัดถามท่านโดนตัถามว่าข่าวออกไปเขาก็หาว่าผมบ้าเวลานั้นผมจะไปโกรธอะไรก็คนว่าผมบ้าเนี่ยเขาไม่ได้ว่าผมได้ยินผมก็แม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่เขาว่าผมได้ยินผมจะโกรธเรือไม่โกรธไม่แน่ แต่ที่ข่าวที่มาเนีเพราะว่าบ้าพูผมก็ยิ้มแล้วทําไมจึงยิ้มเพราะาผมก็มีเพื่อนบ้านี่ยติที่ว่ามีเพื่อนบ้าเพราะาผมบ้าพูดพูดตามความปรู้สิกที่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเรียกว่ากันตัดตอนไม่ถึงนะยังไม่พบน้ํามันที่ว่าผมเป็นเพื่อนบ้าเพราะข่าวนี้ออกไปคนก็บ้าต่อ คือบ้าด่าผมบ้านินทาผมทั้งๆได้วันเดินปีมายังไม่ถึงคนประเภทนี้เป็นคนไร่เหตุไร้ผลว่าแต่คนมีเหตุมีผลแต่คนดีจริงๆเขาจะรับฟังไปเฉยๆยังไม่เชื่อแล้วก็ยังไม่ปฏิเสธเวลาที่พูดไปมันมีกาหนดเวลาว่าต้องพอศอ .2524 ฟ้าจะสาง ความจริงฟ้าจะสงนี่ก็มีคนมาถา ม, มบ่อยๆว่าอะไรจะสว่างตอนนี้เขาบ้าต่ออีกนิดหนึ่งเอาอีกนิดเดียวนะเฉพาะหน้ า, าเกษตรหน้านี้ม้าต่ออีกนิดต่ว่าต่อไปเมื่อปีพศสองพันห้ า, าร้อยสามสิบพระอาทิตย์จะเริ่มขึ้นจากขอบฟ้าอันนี้ก็เดาเองก็แล้วกัน อย่าลืมนะผมจะไม่พูดทั้งเวลาเที่ยงถ้าพระอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบฟ้าอะไรความสว่างก็มากขึ้นคนเห็นหน้ากันมากขึ้นไอ้ทรัพย์ทินน้าตาลที่มันอยู่ในในแผ่นดินเป็นทรัพยาก ร, กรก็จะปรากฏหนาแน่งขึนคนก็จะเริ่มมีความสุขแต่ความสุข เปพอศรรนึรอยสามสิบก็ต้องถือว่าเป็นความสุขอย่างมนุษย์อย่างคนธรรมดาไม่ใช่ความสุขอย่างพระอริยเจ้าความสุขที่อิงมิตรมันไม่มีอะไรสุขจริงจริงๆแล้วมันก็เป็นเชือ่อสายข้งความทุกข์แต่ว่าเราได้มาไปที่พอใจถือว่าเป็นความสุขนีต่อไปเบื้องหน้า ต่อไปเวอนหน้าจะเป็นยังไงผมก็จะไม่พูดทิ้งไว้แค่นี้ก่อนบ้าไว้อีกนิดนึงว่าพระาทิตย์จะขึ้นเหนือขอบฟ้าต่อเมื่อพศสองพันห้ร้อยสามสิบอต่อไปนี้ก็จะบ้าเรื่องอะไรต่อไปรวมความบ้าไว้เท่านั้นนิดดีไหมแล้วต่อไปวันหน้า ถ้ามีโอกาสถ่านั่งพูดไม่ไหวแค่นอนพูดก็ไม่เป็นไรนี่ฟังไปดีที่แรกเสียงเริ่มใสๆ้วก็พักไปหน่อยมาก็เริ่มเคืออีกแล้วอย่าลืมว่าช่วงนี้ยังเป็นวันที่ยี่สิบสองกระกฎาคมสองพันห้ารอยี่บเจ็ดเป็นตอนที่สี่ที่เราพูดกันเรื่องบาบาแล้วต่อไปเรื่องหน้าจจม้าเรื่องอะไรดี วันนี้บังเอิญมีข่าวเขาดูโทรทัศน์ดูข่าวต่งโทรทัศน์กันเขามาบอกว่าทางการไปฟ้าฝ่ายผิดกำลังเจาะหาความร้อนจากใต้ดินผมไม่ได้ดูกับเขาจะบอกขุดเจาะทางเชียงใหม่ผมก็ดีใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความร้อนจากใต้ดินมีมาก มีมากในประเทศไทยที่จะจมันจะเจาะได้แหลงยาวที่สุดและก็มากเป็นแผลใหญ่ในใต้ดินที่ให้ความร้อนถ้าเรานำขึ้นมาได้ไอเรื่องกระแสไฟฟ้าสบายมากโรงงานต่างๆี้ใช้น้ำก็สบายมากแต่ว่าต้องยกไปในสถานที่ที่แผ่นดินมันแตกมันแ ย, ยกอยู่ภายในแล้วมีความร้อนสงูงเจาะแล้วไม่ถึงประโยชน์ใหญ่มาก ถ้าถามว่าเจอที่ไหนบ้างผมก็ไม่ต้องบ้าเรื่องนี้ทางนี้ก็ทางได้การท่านมีความต้องการแล้วแล้วการวิสูจน์ความร้อนใต้ดินก็เป็นของไม่ยากความจริงแร่อยู่ในเนียมชื่อว่าเป็นการค้นคายง่ายอยู่แล้วมีเครื่องวัดเป็นเครื่องวัดวิสูตรเป็นเครื่องตรวจง่ายๆแต่ว่าความร้อนใต้ดินยิ่งง่ายกว่าแย่อยู่รนเนียมอีก จากนั้นดทางองค์ไฟฟ้าฝ่ายผิดของประเทศไทยเริ่มทำแล้วก็เริ่มมีเครื่องมือเพราะว่าในการต่อไปไม่ช้าแรงงานกระแสแรงงานที่ใช้กับเครื่องจักรจะไม่ต้องใช้กระแสะน้ำกระแสะน้ำก็ยังต้องใช้อยู่ก็ดีเป็นการเรียกว่าเป็นผลได้ไดผลไม่จากการลงทุนน้อย ต่อไปถ้าได้ความร้อนใจไต้ดินอีกจะมีประโยชน์ใหญ่เป็นว่าในการต่อไปผมก็คงจะว่าเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าอ้ขอ้อความร้อนใต้ดินผมทราบไปยังไงมันเป็นเหตุเนื่องจากจะไปอเมริกาไปพักที่ฮาวายแล้วดเตอร์ปริญญาดตรปริญารรญานกต้าไหลนี่เธ อ, อเป็นดกตอร์ฝ่ายราธรณีวิทยา เธอพานั่งเท้ารถสิงหพาไปที่ยวในรอบเกาะฮาวายก็ปรากฏคุยกันเรื่องนี้แล้ไม่เกิดความสงสัยขึ้นมาเหตุการณ์ก็ปรากฏผมก็มีอะไรอยู่นิดนึ่งถ้าไม่กระทบผมก็ไม่อยากรู้ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดถ้าเรื่องใดกระทบก็อยากรู้นั้นกระทบอะไรรู้นั้นไม่กระทบไม่รู้เพราะอะไรเพราะขี้เกียจรู้ รู้ไปก็แข่นั้นไม่รู้ก็แก่นั้นรู้ไปเพรกแก่ไม่รู้ก็แก่เพราะใกล้ตายสัญญาณบอกเวลาจบและมาหมดแล้วนี่ครับพัญญาณสองเครื่องบอกมาแล้วว่าหมดเวลาจ้าคงก็ต้องขอลาก่อนคว้าคว้าความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลจงมีเด บ, บรรดาธิพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี